อย่าว่าสมัยนี้เลยเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอย่างในพรมนารถกสปะชาดกก็เหมือนกันพระเจ้าอังคติราชเนี่ยพระราชาพระองค์หนึ่งพระราชาพระองค์นี้เนี่ยวันนั้นเป็นวันเพนราตรีเจมกระจ่างนะวันอุโบสถขึ้นสิบห้าค่ำราตรีลอยเด่นเนี่ยนะก็ปรึกษาข้าราชการนะข้าราชการมาเต้นท้องท้องพะโลงก็ถามมาวันนี้เนี่ยพระจันเพนเนี่ยนะลอยเด่นเจมกระจ่าง เราควรจะยังชิยังว่เวลาให้ล่วงไปด้วยความเพลิดเพลิน ด, ด้วยเรื่องอะไรอีกคนหนึ่งบอกดื่มเหล้ า, ส, า, นนาสิพระเจ้าค่ะอันนี้กคนหนึ่งบอกโอ้แต่เพลิดเพลินในกลางสิพระเจ้าค่ะอีกคนหนึ่งมีคนหนึ่งก็เสนอมาดีบอกต้องเข้าไปหาสมณะผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเพื่อถามปัญหาธรรมะเนี่ยนะท่านก็จะตอบให้เราชื่นใจเออไอเดียนี้ดีเพราะปกติดื่มเหล้าเมา ย, ยาเราก็ทํากันเป็นประจำแล้ววันนี้จะเข้าไปหาสมณะพราหมณ์ ผู้มีศีลผู้ที่สามารถตอบปัญหาให้เราชื่นใจก็เลยบอกเอ้าแล้วถามไปหาใครดีคนที่หนึ่งก็เสนอเสนอไปเสนอมา ก, อก็คนหนึงก็บอกคู่นาคสปะเนี่ยนะใครว่าชื่อว่าคู่นากัสปะอาเจยโลกใครว่านักบวชนุ่งลมหม่มอากาศก็เลยบอกคนนี้สิที่คนทุกคนยกย่องเราท่านว่าเป็นคนดีพระราชาก็เลยยกกองใครว่าแห่แหนกันพร้อมทั้งข้าราชาการเสนาบดีพ่อค้าประชาชนเข้าไปถามปัญหา ไปถามปัญหาเนี่ยนะปัญหาที่ควรถามเอาไปถามมิจฉาทิฐิเข้าก็าเลยเลิกเชื่อบุญเชื่อบาปเลยทั้งแต่วันนั้นเพราะอะไรเพราะคนที่ตอบเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยนะไปถามพวกลัทธิเอกจจะอา่าลัทธิอุเฉท ท, ทิฐิเนี่ยนะพอไปถามปัญหาผิดคนเข้าพระราชาองค์นี้กลับมาแค่นั้นแหละหมกมุ่นในกาเมสุมิจฉาจารไม่เคยสา่งจากความเมาเลย อนนี้ก็กลายเป็นเป็นที่มาเรื่องราวลุกลามใหญ่โตพรันการสอบถามปัญหาก็ต้องถามให้ให้ถูกคนเหมือนกันเนี่ยนะชันใดก็ดีอย่างพวกเราทั้งหลายการถามปัญหาเราอะไรก็คําสอนว่ายอย่างไรเนี่ยนะว่าคําสอนในเรื่องนี้พุทธพจน์ตรัสว่ายังไงในเรื่องนี้พระพุทธพจน์ตรัสว่าอย่างไรเนี่ยนะผู้ใดาสามารถบอกเราว่าตรงเนี้ยพุทธพจน์บอกเราว่ายอย่างไรพุทธพจน์ว่ายอย่างไรจําไว้อย่างนั้นเถอะไม่มีผิดพลาดอย่างแน่นอนถ้าไม่จับจุดเอาไว้ตรงนี้นะ เอาเธอเนี่ยนะอย่างบ้านเราเมืองเราตอนนี้เนี่ยนะไม่รู้กี่ร้อยนิกายแล้วเนี่ยนะนิกายทางความคิดเนี่ยก็เราคุยกับคนสิบคนมันก็สิบความคิดถ้าคุยกับร้อยคนมันก็ร้อยความคิดเนี่ ย, ยทุกความคิดพูดแล้วเราแหมยอยากจะเชื่อหมดเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ความสงสัยความเดือดร้อนรําคาญเนี่ยนะสมัยพุทธกาลก็มีเหมือนกันไอ้การถามปัญหาผิดคนหรือหรือได้รับคําแนะนําที่ไม่ถูกต้องถ้ามีพระรูปหนึ่งมีศรัทธาเข้ามาบวชในาศาสนา พอบวชเข้ามาเนี่ยนะอาจารย์เนี่ยเป็นนักวิไนัยทอนอุปชาเนี่ยเป็นนักอภิธรรมเนี่ยนะพออาจารย์ก็จะแนะนําเรื่องวิไนัยให้เนี่ยผู้ที่บวชเข้ามานะศีลมันจะต้องเป็นอย่างนี้สอนวิไนัยพิดกละเอียดยิบไปหมดเลยเพราะฉะนั้นในที่สุดแม้แทบจะขยับตัวไม่ได้เลยเป็นอบัตไปทุกเรื่องวางั้นเหรนะไอความที่ตัวเองฟุ้งซ่านแล้วก็ไปหาอาจารย์ อาจารย์ก็ส อ, อสอนไปหาอุปชาอุปชาก็สอนแต่ธรรมะเนี่ยนะจิตเจตสิกรายละเอียดลึกซึ้งเรียนตัวเองกำหนดจดจำไม่ได้เครียดจัดเลยเนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยเขาไปหาอาจารย์ก่อนแล้วเนี่ยไปหาอุปชาก่อนแล้วเนี่ยเครียดมากเลยวิ่งเลยพระภิกษุเห็นพระวิ่งก็เลยช่วยกันจับเอาไว้ว่าวิ่งทำไม กอนเนี S <S <an> ่ยข <an> ้าพระองค์มีศรัทธาทีแรกบวชเข้ามาปรารถนาจะพ้นทุกข์ยิ่งเรียนไปทําไมมันยิ่งทุกข์อย่างนี้เขาวางันอยู่กับอาจารย์เนี่ยอาจารย์สอนวินัยจนจะขยับตัวไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยอนุ่นก็อาบัตอันนี้ก็อาบัตอาบัตชแทบบังก็จริงนะบางทีมันมีศิกขาบทถ้าเรียนไม่ดีเนี่ยเราจะฟุ้งซ่านเป็นอาบัตทุกคํากลืนเป็นอาบัตทุกขุมขนเนี่ยนะเป็นอาบัตทุกย่างก้าวอะไรเงี้ยมันจะมีคําประเภทนี้จริงๆแหละ แต่ทีนี้ว่ามันเกิดจากเจตนาที่ผิดพลาดในตอนต้นนี้ศึกษาไม่ดีจําได้จ้ะแมเป็นอาบัตทุกเส้นขนเป็นอาบัตทุกคํากลืนเป็นอาบัตทุกวันเป็นอาบัตทุกครั้งที่ใช้สอยนะพอได้ยินคําเหล่านี้เข้าโอ้ยทนไม่ได้แล้ว โอ้ยอยากจะศึกเต็มทีแล้วอตอนแรกบวชปราถญ์จะพ้นทุกทําไมยิ่งบวชทำไมมันยิ่งทุกแท้พอไปหาอาจารย์เข้านี้ก็อาคุศลนี้ก็อ้จิตเจตสิกเรียนวุ่นวายไปหมดเลยปวดหัวเครียดท่องจําไม่ไหวเฮ้ยศึกดีกว่าเนี่ยนะศึกไปทำบุญให้ทานก็ได้แล้วก็เลยเกลียววิ่งเลยก็จับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพงกระบอกสอนให้รักษาจิตเนะี่ยค่อยยังชั่วหน่อยรักษาอย่างเดียวค่อยเอาตัวรอดแต่ตอนหลังท่านก็เป็นพระอรหันต์นะเพราะฉะนั้นการกา ร, การศึกษาพระธรรมของเราเนี่ยถ้าเรากําหนดจดจําไม่ดีพลาดไปตามคํา คำแนะนําของที่ปรึกษาทั้งหลายเนี่ยน ะ, ะโดยเขาบอกว่าคำเขาบอกว่าทั้งโลกก็พูดเหมือนกันเขาบอกว่าที่คําปรึกษาที่ไม่มีราคาหมายคำว่าคําปรึกษาใดที่ได้มาฟรีคําปรึกษานั้นจ่ายแพงมากที่สุดเนี่ยนะคำปรึกษาสมมุติถ้าเรามีปัญหาปั๊บไปแนะนําคนที่แบบให้คําแนะนําเราง่ายๆสบายตอบคําตอบถูกใจอันนั้นแหละเสียหายมากที่สุดเนี่ยนะ เสียหายมากกว่าจ้างที่ปรึกษาแพงๆอีกก็ถามทำไมว่าคนไม่รู้จริงมาแนะนํำดูเดียวยิ่งแนะนําง่ายเท่าไหร่ก็คือแนะนําแบบประเภทมักง่ายเมื่อแนะนํามักง่ายแล้วถามว่าความเสียหายก็ตามมาหาที่สุดไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างพระพิสุพี่ที่เกิดอุทธจักกุกกุทจะก็เหมือนกันเพื่อนคบเพื่อนคุยเนี่ยแยกแยะไม่เป็นแยกแยะครูอาจารย์ไม่เป็นเพราะฉะนั้นก็เที่ยวพลาดก็เดือดร้อนเนี่ยนะก็เปรียบเหมือนอะไร ตรงนี้ท่านก็บอกเปรียบเหมือนธาตุเนี่ยนะพลานไปหมดไม่เป็นตัวของตัวเองเลยได้แต่ความเดือดร้อนได้แต่ความสงสัยอ่ะนะถ้าอยู่วงการนี้นานๆก็จะเห็นว่าคนประเภทนี้ไม่ใช่นอนเนี่ยนะอยู่ด้วยอุทธจักรกุกุจจะตลอดเวลาสงสัยไปหมดเลยสงสัยไปทุกเรื่องทีนี้ทีนี้ไอ้สงสัยแล้วก็ไม่ยอมเรียนเป็นระบบเนี่ยนะก็ตัวเองก็จําไม่ค่อยแม่นจําตรงนี้โยงไปตรงนั้นมั่วไปเรื่อยๆเนี่ยก็โอ้ยน่าสงสารขนาดนั้นทำไม ทีนี้มาดูนิวรณ์ตัวสุดท้ายเนี่ยนะก็คือวิจิกิจชานิวรณหน้า222ดูก่อนพิสูนทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีทรัพย์เนี่ยนะมีโภคขสมบัติเพ่งเดินทางไกลสมัยต่อมาเขาเพ่งข้ามพ้นทางกันดาร น, นั้นได้โดยสวัสดีโดยไม่มีภัยไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรอะไรเลยเขาจะเพ่งมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเรามีทรัพย์มีพภกขสมบัติเดินทางไกลบัตรนี้เราข้ามพ้นทางกระดานนั้นแล้วโดยสวัสดีโดยไม่มีภัยไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรอะไรเลยดังนี้เขาพึงได้ความปราโมทถึงความโสมนัสถึงภูมิสถานอันกเกษมเป็นเหตุฉันใดนี่มาดูว่าผู้ที่ถูกอุทจจะขอภัยวิจิกิจฉาครอบงาก็เหมือนกัน เมื่ อ, อไรเหมือนกับคนที่เดินทางไกลแบกอริยทรัพย์มาเบกทรัพย์เนี่ยนะในหน้า229ริจึงอธิบายว่าเหมือนอย่างว่าบุรุษเดินทางไกลเห็นโอกาสที่พวกมนุษย์ถูกโจรปล้นก็คือถนนเส้นนี้ถูกปล้นบ่อยมากสถิติการปล้นนี้บ่อยมากสําหรับคนเดินทางกับมนบันพอตัวเองเนี่ยเบรกเบกทรัพย์เนี่ยนะมูลค่ามหาศาลไปก็ระแวงสงสัยว่าโจรมาแล้วบางทีได้ยินเสียงท่อนไม้เสียงของพวกพรานนก เดินไปหรือหยุดอยู่กลับมาจากที่นั้นก็เดือดร้อนเนี่ยนะระแวงไปหมดเนี่ยเห็นใครเดินมามาเอาปล้นเราหรือเปล่าเห็นก็แบกปืนผาหน้าไม้ไปหายิงนกมันจะมาปล้นเราอีกหรือเปล่าเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเต็มไปด้วยความผวาแต่ถ้ า, าว่าเดินข้ามตรงนั้นไปจนถึงที่เกษมละ่ะก็สบายนะแต่ถ้าระหว่างทางนั้นอ่ะมีแต่อะไรมีแต่ความทุกข์ความยากลําบากฉันใดบางคนที่เต็มไปด้วยความสงสัยก็ฉันนั้นเหมือนกัน สงสัยแปดอย่างสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ดีจริงหรือพระธรรมเนี่ยดีจริงปฏิบัติพ้นจากทุกจริงหรือพระสงฆ์สาวกที่ว่าปฏิบัติดีดียังไงมีแต่ข่าวคราวเสียหายตามหนังสือบีมเนี่ยนะหรือไม่ก็ศีกขาสามศีลสมาธิปัญญามันเป็นยังไงสำนักนี้ก็ว่าอย่างนี้สำนักนั้นก็ว่าอย่างนั้น ตกลงมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยนะก็สงสัยทั้งสมาธิในสมาธิตกลงมันเอาถือเอาการนั่งหรือว่าถือเอาลมหรือว่ากําหนดยังไงจริงจะเป็นสมาธิยังไงเป็นสมาธิถูกยังไงเป็นสมาธิผิดปฏิบัติแล้วมันจะเป็นยังไงอู้สงสัยเองอดีตเอ๊ะเราเป็นยังไงอดี ต, ดตชาติมันมีจริงหรือเปล่าอน า, าคตชาติมันมีจริงหรือเปล่า พีนักผีสางเทวดาวอินพรหมยมยักษ์เป็นต้นมีจริงหรือเปล่าก็สงสัยทั้งอดีตทั้งอนาคตสงสัยทั้งปัจจุบันสงสัยโดยที่สุดสงสัยมัดผลนิพพานเพราะฉะนั้นใจก็ไม่น้อมไปเพื่อเห็นอริยศาสตร์แล้วนั่นนะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่สามารถจะแก้ความสงสัยได้ก็มีแต่ความลงเล่โรเลไม่เชื่อมั่นสะดุ้งแก่จิตบ่อยๆเปรียบเหมือนอไรเปรียบเหมือนคนเดินทางกันดาน วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยก็เหมือนกับทางกันดานตัวเองตอนแรกก็พกความมั่นใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามาอย่างเต็มที่ใช่ไหมพอวิจิกิจฉาเกิดขึ้นก็สงสัยในพระพุทธเจ้าตัวเองเนี่ยมีศรัทธาในพระธรรมที่จะตรัสรู้อริยสัจเอาไปเอามาก็สงสัยอีกแล้วนะสงสัยว่าเอ๊แล้วอุปชาจารย์หรือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีจริงหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะ เป็นเหตุเป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลจริงหรือตอนแรกก็มีศรัทธามาดีนะแต่ตอนหลังเอาไปเอามาเนี่ยถูกโจรคือวิจิกิจฉาปล้นไปในะระหว่างทางซะเรียบหมดเลยเพรความสงสัยเปรียบเหมือนโจรโจรปล้นอะไรปล้นศรัทธาโจรปล้นศีลโจรปล้นฮิริโอตตะโจรปล้นสุตะโจรปล้นจาคะโจรปล้นปัญญาก็คือตัว วิจิกิจฉาก็คือสงสัยในพระพุทธสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในอดีตสงสัยในอนาคตสงสัยทั้งอดีตอนาคตสงสัยในศิคาสงสัยในคุณพารัตนะตรายยิ่งสงสัยเท่าไหร่เนี่ยนะแนวโน้มแห่งความสงสัยทําให้เกิดแต่ความลําบากใจยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะทีนี้พิจารณาว่าการมฉันทานิวรที่ตัวเองละได้แล้วเนี่ยนะบอกว่า ดูก่อนพิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์หประการเหล่านี้ที่ตนยังละไม่ได้ถ้าจะถ้ า, ถายังมีนิวรณ์เช่นการมาฉันทาก็เหมือนหนี้พยาบาทก็เหมือนโรควิจิตรทีนมิท่าก็เหมือนเรือนจําอุทจักกุกุจักก็เหมือนธาตุวิจิกิจชาก็เหมือนกับทางไกลที่กันดารเนี่ยนะพิจารณาเห็นนิวรณ์หประการที่ตัวเองละได้แล้วเนี่ยนะก็เหมือนว่า เหมือนตัวเองเนี่ยปราศจากนี่ปราศจากความไม่มีโรคพ้นจากเรือนจำเป็นไทยแก่ตัวถึงภูมิสถานอันกเกษมในหน้า230อธิบายสำหรับคนที่ชำระนิวรได้สำเร็จบอกว่าเหมือนอย่างว่าบุรุษกู้นี่มาแล้วประกอบการงานเสร็จการงานแล้วก็บอกว่าขึ้นชื่อว่านี่แล้วเนี่ยนะเป็นเหตุให้กังวลใจ จึงใช่นี่คืนพร้อมทั้งดอกเบีย้ยแล้วก็ฉีกหนังสือสัญญาทิ้งเสียทีนั้นก็ไม่มีใครมาคอยทวงนี่หรือส่งหนังสือมาทวงเขาจําเดิมแต่ครั้งนั้นมาเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเขาจะเห็นเจ้านี่ปรารถนาจะนั่งก็นัง่งไม่ปราถนาจะนั่งก่อนลุกขึ้นปรารถนาจะนอนก็ได้จะทํายังไงก็ได้เพราะอะไรเพราะเขาหมดนี่ไม่มีความเกี่ยวข้องด้วยเจ้านี่ฉันใดภิกษุนั้นก็คิดว่าการมาฉันท่าเป็นเครื่อง กังวลใจเป็นเหตุแล้วก็เจริญธรรมะหกประการที่เป็นเหตุละนิวรณ์ที่กล่าวไว้แล้วในสติปัฏฐานเนี่ยนะในเล่มก่อนในเล่มสิบเจ็ะนะกล่าวถึงวิธีการละกามะชันทานิวรณ์เพราะฉะนั้นความกลัวความสะดุ้งไม่มีแก่บุรุษนั้นผู้หมดจากนี่แล้วเพราะเห็นเจ้านี่ฉันใดความเกี่ยวข้องด้วยความผูกพันของพิสูพผู้มีการมะชันท่อันละได้แล้วไม่มีวัตถุอื่นก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นแม้เห็นรูปที่เป็นทิพ กิเลสก็ไม่ฟุ้งขึ้นพระองค์ตรัว่าละการมาฉันทะได้ก็เหมือนกับคนที่ปลดเปรื่องนี่ได้สําเร็จนี้พยาบาตเหมือนอไรเหมือนโรคเหมือนอย่างว่าบุรุษผู้กระสับกระสายด้วยโรคดีทําโรคนั้นให้สงบด้วยยาคือเภสัชเนี่ยนะจำเดิมจากนั้นมาก็รู้รสน้ําตาลกรวดเป็นต้นนะรู้ความอ ร, อร่อยของน้ําผึ้งรู้จักกลิ่นหอมรสอร่อยทั้งหลายเนี่ยภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนการคิดว่า ขึ้นชื่อว่าพยาบาทนี้กระทําแต่ความชีพหายไม่ใช่ประโยชน์แต่แล้วก็เจริญธรรมะ6ประการเพื่อละพยาบาทเช่นเจริญเมตตาเป็นต้นเนี่ยนะภิกษุนั้นชื่อว่าละพยาบาทได้แล้วอย่างนี้เปรียบเหมือนบุรุษหายจากโรคดีเนี่ยนะชอบเศพของหวานระหว่าบริโภคของหวานเป็นต้นได้ฉันใดภิกษุนั้นอันอาจารย์ให้ศึกษาอยู่ซึ่งอาจารและวินัยบัญญัติเป็นต้น รับด้วยเสียงกล้าวศึกษาอยู่ฉะนั้นคืเราว่ามีศรัทธาศึกษาอยู่ด้วยด้วยใจเนี่ยนะจนสามารถละพยาบาทได้เพราะฉะนั้นมีความเคารพในครูอาจารย์ก็เป็นเหตุให้ศึกษาได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นการละพยาบาทเหมือนกับหายจากโรคแล้วเนี่ยนะโดยเฉโรคใจเนี่ยนะคเราว่ากจัดพิษเรือรังที่อยู่ในใจได้แล้วทีนี้ถ้าละีนะมิธะได้ล่ะ บรุษผู้ถูกจับเข้าไปสู่เรือนจำในวันนักขัตฤกษ์แม้ในวันนักขัตฤกษ์อื่นอีกเขาคิดว่าเราเนี่ยเคยถูกจองจำด้วยโทษแห่งความประมาทจึงไม่ได้เล่นงานวันนักขัตฤกษ์เพราะโทษนั้นบัดนี้เราจากเป็นผู้ไม่ประมาทดังนี้ศัตรูของเขาย่อมไม่ได้โอกาสเขาเป็นผู้ไม่ประมาทจึงไล่เล่นงานนักขัตฤกแล้วก็เป่งอุทานว่าโอ้วันนักัตฤกเนี่ยนะเากมีความสุขในการเที่ยวเนี่ยนะ พิสูจนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันคิดว่าชื่อว่าทีนามิทะเนี่ยทำความชีพหาใหญ่หลวงก็เจริญธรรมะ6ประการเพื่อกําจัดถีนามิทะเช่นเจริญอโลกสัญญาเป็นต้นละถีนามิทะพิสูจนนั้นชื่อว่าละถีนามิทะนั้นได้แล้วเปรียบเหมือนบุรุษพ้นจากเครื่องจองจําเล่นงานนักขัดตรกตลอดเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแม้ตลอด7วันสเสวย อ, อยู่ทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแห่งนักขัดตระเวรฉันใด ผู้ที่บรรลุอรหัตพร้อมทั้งปฏิสัมพิธาก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสการละถีนมิทะเหมือนพ้นจากเรือนจำ